237จะตุวัคะกรณาทิกถาว่าด้วยกรรมที่สงกำหนดจำนวนสี่รูปธรรมเป็นต้นเรื่องสงห้าประเภท388สงมีห้าประเภทคือ 1. สงสงจตุวัค ก, กำหนดจำนวนสี่รูปสงสงปัญจวัค กำหนดจำนวนห้ารูป 3. สงทศวรคษําหนดจานวนสิบรูป 4. สงวีสติวักคกาหนดจานวน20สิบรูป 5. สงอติเรกวีสติวักคกาหนดจานวนเกิน20สิบรูปภิกษุทั้งหลายในสงเหล่านั้นสงจตุวัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรม เข้ากรรมได้ทุกอย่างยกเว้นกรรมสามอย่างคืออุปสมบทปวารณาอภิพานภิกษุทั้งหลายสงปัญจวัคพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่างยกเว้นกรรมสองอย่างคืออุปสมบทในมัชฌิมชนบทอัิพานภิกษุทั้งหลายสงทศวัค พร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่างยกเว้นอับพานอย่างเดียวภิกษุทั้งหลายสงวีสติวัตพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่างภิกษุทั้งหลายสงอติเรกะวีสติวัครพร้อมเพรียงกันโดยธรรมเข้ากรรมได้ทุกอย่าง